อ่าโชคดีนับสืส่อศาสนาอ่าพระเจ้าท่านบอกนะคุณเบื่อโลกสมมุติว่าเราเป็นคารวะอ่ะมีงานมีเงินคุณเบื่อใช่ไหมคุณเบื่อคุณก็ขอพ่อขอแม่สิขอญาตพี่น้องสิออกมาบวชมาบวชอ่าถ้าคุณยังไม่เบื่อคุณก็เป็นคารวะญาตโ ย, ย, ยมก็ศึกษาได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณถ้าคุณเข้ามาบวชแล้วเนี่ยมันก็เป็นการตัดภาระของคุณไปมันก็ง่ายกับการปฏิบัติทำใช่ไหม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 มีอันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกชำนาญถูกแล้วที่เข้ามานะครับมีครับมีมีพวกตามผมจริงเลยมีใม่ใหม่มีเมืม่อ ก, ก่อนยังเรายังเห็นอานิสงของมันว่าการไม่นอนกลางวันเนี่ยทำไมหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านถึงพยายามบอกสมมติว่าคุณคุณเข้ามาปฏิบัติเจ็ดวันเนี่ยตื่นเต็มที่เลย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 ใช่ไหมยิ่งคนโสดนี่ยิ่งเบาเยอะเลยนะครับถ้ามันตามว่เป็นสัญชตาตญาณองเราเราจะเรียกว่ามันเป็นการตามสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือเราไม่รู้ครับถ้าเราตามรู้นี่ไม่ใช่สัญชาตญาณครับสัญชาตญาณก็คือเราไม่เห็นอาการที่เขาเกิดครับเราลูบ ๆ, ๆไปทูสบู่แบบไม่ได้ดูครับไม่เห็นอาการที่มันเกิดครับนั่นคือสัญชาตญาณคือเราพยายา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 สามารถคุยกันได้เพราะว่าผมเองก็ใหม่นะครับเราสามารถคุยภาษาที่มันยังเข้าใจ ก, กันได้อยู่นะครับอย่างการเดินจงกรมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องต้องเดินให้หนักต้องเดินให้เสียงดังหรือว่ากระทเทือบท้าแรงๆให้ให้ได้คุณรู้สึกตัวนะครับทำอย่างนั้นไหมครับตรงตึกตึกตึกตึ ก, ตกโอใช่ไหมผมนี่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 อย่างเลือถ่ายกล้องใายวีดีโอก็ตามผมว่าท่าผมไปนะเพราะเราเราก็ฟังได้ครับเป็นเราก็ทำของเราอยู่ใช่ไหมล้วอย่าที่โอกาสไปอนั่งขึ้นรถลงเรือไปก็ตามอยู่หน่อยรถมันโยกถ้าโยกกว่าขอให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับตัวครับเป็นใช้ได้ครับทำวิธีไหนก็ได้อย่าไปยึดติดครับเอไม่ต้องโยกก็ได้ถ้าถ้าถ้าชำนาญแล้วถ้าชำนาญแล้วนะแต่ถ้าแต่สําหรับผมนี่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 ถ้ารู้สึกตัวเขารู้แล้วว่าเล่าเป็นพิธีเขาไม่กินหรอกครับถ้ากินไปรู้สึกตัวเมาก็รู้สึกตัวเนะี่เออเริ่อพูดไม่รู้เรื่องก็รู้สึกตัวนะเราจะมาฝึกทําไมครับทั้งนั้นฮนะใช่ไหมอืมเนีย่ยจะด่าเขาก็รู้สึกตัวเนะี่ยด่าแบบรู้สึกตัวอย่างนี้ได้หรอมันก็ไม่ถูกเรย่องบยงยังนีเล ย, เ ย, เยคาําด่าเนี่ยดา่ารู้สึกตัวเลยไม่ใช่อย่ า, อ ย, าอย่าเข้าใจผิดอย่าลงประเด็นนะคือรู้สึกตัวนี่คือว่า